การปฏิบัติในโอกาสที่สองคือในขณะที่อารมณ์มากระทบนีหมายความว่าเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายผิวหนังเหล่านี้จะต้องปฏิบัติในลักษณะที่ให้ผัสสะหยุดอยู่ที่ผัสสะให้เวทนาหยุดอยู่ที่เวทนาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งได้บรรยายทั่วไปในที่ทุกคนทุกแห่ง กระทั่งที่ได้บรรยายที่นี่กราวก่อนมาแล้วจนบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจที่ว่ามีการกระทบแล้วหยุดอยู่แค่ภัรษานี้มันเป็นชั้นดีเลิศถ้าชั้นธรรมดาก็ไปถึงเวทนาแล้วหยุดอยู่ที่เวทนาอย่าปรุงเป็นตัญหาอุปาทานเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาบางคนหรือนักพูดตามสลาวัต หรือนักสอนตามบนโรงเรียนนักธรรมก็เหมือนกันอาจพูดว่าหยึดอยู่แค่ภาษานั้นไม่มีต้องไปถึงเวทนาเสมอนั่นเพราะเขายึดมั่นถือมัน่นหนังสือถ้อยคำหรือแบบอย่างอะไรอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ความจริงความจริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้เห็นรูปสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินดมกลิ่นสักว่าดม ลิมรสสักว่าลิมสัมผัสสักว่าสัมผัสนี้ก็มีอยู่ถ้าทำได้อย่างนั้นตัวเธอไม่มีคือตัวกูไม่เกิดแล้วก็เป็นที่สุดทุกคือว่างอยู่เรื่อยขอให้สังเกตอย่างนี้กันล็อกกันว่าเมื่อเราทอดสายตาไปยังทางใดทางหนึ่งเห็นภาพนั่นภาพนี้ลองเหลือบตาไปทางประตูหน้าต่าง มันก็เป็นแต่เพียงภาษะเท่านั้นไม่เกิดเวทนาพอใจหรือไม่พอใจอะไรเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสอันใดเข้ามาในลนักษณะภาษาอย่างนี้ก็ให้มันหยุดอยู่อย่างนั้นบ้างเป็นไรหรือเหมือนกับทหารที่นอนอยู่ข้างปืนใหญ่เมื่อปืนใหญ่ลั่นตึงออกไปมันก็เพียงแต่ได้ยินเสียงเท่านั้นไม่เกิดเวทนาอะไรยังนอนหลับสบายอยู่ด้ซ้าไป หนักๆเข้าไม่สะดุง้งไม่ตื่นไม่อะไรเลยมันเป็นแต่เพียงเสียงปืนใหญ่กระทบหูแล้วก็เลิกกันอย่างนี้ให้ภาษาหยุดอยู่เพียงแค่ภาษาอย่างนี้ในเมื่อได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงคู่รักเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะได้หรือไม่ถ้าทำได้มันก็ต้องนับว่าเก่งมากข้อนี้นึก ด, ดูอีกทีหนึ่ง ก็ว่าบางทีสัตว์มันจะเก่งกว่าคนเพราะสัตว์ไม่มีปัญญาชนิดรู้มากยากนานทีนี้เราถ้าอยากเก่งอย่างถึงที่สุดดังนั้นบ้างก็ต้องหัดชนิดผัสสะสักว่าผัสสะแต่ถ้าสู้ไม่ไหวยอมแพ้ก็ไปที่เวทนาก็ได้พอเวทนารู้สึกสบายไม่สบายพอใจไม่พอใจแล้วให้หยุดอยู่อย่างนั้นหยุดอยู่เพียงเท่านั้น ดับไปเพียงเท่านั้นอย่าเกิดความอยากต่อไปอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามเรื่องของความอยากของกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างนี้ก็ได้นี้เรียกว่าเราประพฤติปฏิบัติในโอกาสที่กระทบกันกับอารมณ์ให้มีหลักอย่างนี้